แต่พวกเราดื่มธุราเข้าไปเป็นยังไงขาดสตินะ่อนี่เมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วความเสียหายได้ทุกอย่างแต่เราก็ไม่อยากจะพูดหรอกคาชั่วความชั่วนะเราจะพูดกับความเสียหายแห่งความเสียหายเกิดขึ้นได้แต่คนขาดสติผิดศินได้ทุกข้อเลยคนขาดสติจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้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 ถ้าเป็นฆราวาสกออ็มีศีลห้าก็ในระดับหนึ่งแต่ภู้มีความมุ่งมั่นกว่านั้นก็รักษาศีลอุโบโสถบวชชีพรามก็ในระดับหนึ่งแต่เมื่อเขามาบวชเป็นพระพระคันถาธุระคือพระเราเรียนศึกษาอยู่ในเมืองอันนี้ว่าพระคันถาธุระพระศึกษารักษาพระไตรปิฎกนะว่าพระคันถาธุระ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 เจ็วันเจวันสรุปแล้วคือเดือนเดือนกว่ากว่าที่พระพระุทองค์คุ้นคิดที่ได้ทาทาที่ได้ตัดรูนะ้น่ะจากนั้นก็ท้อปทไทยโอ้ทำที่เราได้ตัดรู้เนี่ยที่ได้รู้ได้เห็ น, นมันทวนกระแสะโลกโลกเขานคิดอีกแบบหนึ่งแต่เราทำของเราเนี่ยมันคิดอีกอีกแนวหนึ่ง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 รู้วาราจิตของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ขนขวายน้อยแล้วท้อพระไทยไม่อยากจะแสดงไม่อยากจะปรดสรพสัต์ทั้งหลายจึงได้พร้อมกันลงมากราบราตนาพระพุทธเจ้าว่าพรมมาจโรกาติปติสหัมปติอย่างที่พวกเราที่พระจะแสดงทำแล้วก็มีคนกล่าวอราตนาเนี่ยคือใช้ภาษาของพรม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 สคนที่ท่านเป็นไปเรียนไปเรียนไ ป, ไปศึกษาด้วยนะในละแวะกนั้นที่อยู่ในละแวะกนั้นก่อนที่ท่านได้ตัดสู้นะท่านก็ไปไดเรียนไปเรียนไปศึกษาอยู่กับด า, าราบทอุตกระดาบทสองฤฤษีในถิ่นนั้นในละแวะกนั้นแต่ฤฤษีสองท่านนะสอนแต่เรื่องสมาธิเรื่องสมะถะคือทําจิตใจให้เน่งให้สงบไม่ใช่ทางยังไม่ถึงจุด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 อันนี้ก็คือการทดสอบทดลองของสิทธัตถะในช่วงนั้นพอวันเดือนหกเพนสิทธัตถะได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่อยู่ละช่วงนั้นพอนดูดูแล้ว เ, เห็นสิท ธ, ธัตถะทดลองดูแล้วอไม่ศัดไม่ศรัทธาไม่เชื่อฮก็เลยห น, นีออกไปออกจากสิท ธ, ธัตถะ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 เน่งเข้าไปอีกท่านรู้ว่าจุตูปะปาตาญานการจุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ท่านมองออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างมองมาหาถึงพวกเราอย่างนี้น่ะแต่ที่แรกท่านมองท่านเจก่อนมองพระองค์ท่านเจก่อนเออต่อมาก็มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายใครทําไมมาเกิดทําไมไม่เหมือนกันทําไมคนหนึ่ ง, งโง่ทําไมคนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งทารวยคนหนึ่งจน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 ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจเข้ารูวหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้ากำากาหนดลมหายใจเข้าออกเพียวๆมันจะลืมหลงหลืมได้ง่ายหลงส้นได้ง่ายควรจะสำทับด้วยพุทโธเขาด้วยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุา passado, ทหายใจออกโท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 เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเรื่องของใจน่จะต้องศึกษาในรายละเอียดมีมากทีเดียวเท่านั้นเรื่องศึกษาเรื่องของใจเรงจะเอาสมาธิเข้ามาแล้วก็กำหนดดูจิตใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลา เ, าเรานึกคิดอย่างไรนึกปุ่งอย่างไรคิดยังไงจิตใจของเรามันคิดดีหรือมันคิดชั่วมันคิดไปในทางไหนนี่แหละ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 ตัวข้าไปเจ้าทั้งหมดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่มันเกิดมากเกินไปเรอยๆนะพระเนนลูกหลานจัทธายญาติโยมทุกๆทุกๆท่านนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดหลากหลายในทางพุทธศาสนานะตอน่อไปรับผนเอุทิศส่วนกุศลหน้า